ยังไม่รู้จะทำยังไงเธอหันมาเพียงแค่อยากจะสบตากับเธอสักครั้งหนึ่งจะเป็นอะไรไหมถ้าฉันนั้นจะทักทายเธอคงไม่ว่ากันถ้าฉันนั้นเดินเข้าไปคุยไม่ beautiful girl ทำให้เธอช่างสวยอย่างนี้ กับตาดูเธอทุกวินาทีเธอคนนี้คือคนที่ใช่เลยมีแต่เธอภายในหัวใจ I need you to be my wife ถ้าเธอเป็นแฟนฉันจะไม่ทิ้งไปในไกลเพราะเชื่อใจฉันคนนี้ Baby ก็มีแค่เธอคนนี้คนเดียวในใจของฉันก็มีแค่เธอคนนั้นคนเดียวที่จะให้เป็นใครคุณนั้นองเก่า I love you baby My beautiful girl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 โปรดเชื่อใจฉันคนนี้ b ด b แเ<บ>ธแบบมองมาก็หันไปโปรดหันมามองอีกสักครั้งตกลุมรักเธอแล้วจางจางองเก้าวสำวนจะให้ไปใจไปรักใครไม่ได้เลยมีแต่เธอ I need you to be my wife ถ้าเธอเป็นแฟนฉันจะไม่ทิ้งไปไหนไกลโปรดเชื่อใจฉันคนนี้ได้ไหม Beautiful girl ทำให้เธอช่างสวยอย่างนี้จับตาดูเธอทั่วินาที เธอคนนี้คือคนที่ใช่เลย